ขอความเจริญในธรรมจะมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมปโตริยานกำลังนำเสนอเรื่องกรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในตอนที่ว่าด้วยนิวรณาปภะณคือหมวดที่ว่าด้วยนิวรนเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องขยายออกไปพิสดารพอสมควรเพราะว่านิวรนเป็นปัญหาหลักในการเจริญกรรมฐาน แล้วก็เป็นปนัญหาในด้านสุขภาพจิตของมนุษย์เราโดยทั่วไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วกุ้มหุมใจกั้นจิตคนไม่ให้บรรลุความดีไม่สามารถทำความดีได้เต็มที่หรือว่าแสดงความดีออกมาได้เต็มที่เวลารับความดีเข้าไปก็รับไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาแสดงความดีออกมาก็แสดงออกมาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่า ความรู้สึกเหล่านี้มันกั้นจิตเอาไว้ความรู้สึกประเภทกรรมฉันที่ยกไว้ในวันก่อนเนี่ยพระเจ้าทรงอุ ป, ปมาเห็นว่ามันเหมือนกับจิตจิตนี่มันเหมือนกับคนที่ตกเป็นหนี้เป็นสินบุคคลอื่นแล้วก็มีคนทวงยึดยึดยึดยึดอยู่เนี่ยจะต้องไปใช้ให้เขาตลอดไปเพราะว่าเรายังเป็นหนี้ก็อยู่ แล้วก็โดยสภาพของกิจมันเหมือนกั่น้ําที่เจอด้วยสีเราเคลอะไปหมดเลยถ้าเราจะมองดูเงาหน้าของเราในน้ําที่เจอด้วยสีเนี่ยเราจะเห็นไม่ชัดพผลจิตใจที่ถูกความรักเข้าครอบนํามันก็มีลักษณะอย่างนั้นเราไปนึกออกสมัยที่เป็นเด็กที่มีหนังสืออะไรเลืมเชื่อไปแล้วรู้สึกว่าเป็นพนิพนธ์ประวัติการที่หก ความรักเหมือนโหคาบันดาลตายมืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคมาใดใดความรักเหมือนโคถึกก็ลังคึกขี้ขังไว้ก็จะออกจะกคอกไปประยอมอยู่นะที่ขังเป็นความคิดนะฮะเอาขนาดความคิดเนี่ยจิตมันจะพลั้นไปในอารมณ์ต่างๆไปกับหนักเพื่อเพย์่ยกับอดีตบ้างไปไขอยคว้าอนาคตบ้างไปเพื่อเพลย์เี่ยกับปัจจุบันบ้างโหยหาอะไรแหนดีบ้างเองว่วิ่งไปเรื่อยๆ วันประเด็นที่ส่งสอนนี่ว่ากามฉันที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะลักแท้ได้ด้วยวิธีใดก็ให้รู้ประการนั้นทีนี้การละ ก, กรรมฉันในแนวของแนวหลักตรงๆเนี่ยนะคือว่าก็ต้องเจริญสุภาษกรรมฐานแต่สุภาษกรรมฐานก็เป็นกรรมฐานที่ไม่ใช่เหมาะกับจิตของคนได้ทุกคนนะเพราะว่า เช่นสมมติเราเจะลึกไปจนถึงดูซากศพอย่างเงี้ยบางทีมันก็ดูไหวบางทีมก็ไม่ไหวทีแล้วก็ดูแล้วก็สะอิสเอียนนะมาเห็นเนื้ออะไรก็กลายเป็นเนื้อนั่นไปหมดเลยและนั้นในประพันธ์ในสูตตานิทั้งก็รวบรวมาไว้ว่าให้เวียนนิมิตในสุขะกรรมฐานเช่นเาเจอรูปสวยนี่ดูจมูสวยตรงไหนคิดแตดียดูมันสวยตรงไหนเสียงไพเราะในไพเราะตรงไหน กินหอมเนี่ยมันให้อะไรขึ้นมากินหอมเนี่ยแล้วรถอร่อยเนี่ยมันกินอาหารก็ต้องการอร่อยหรือว่าต้องการอะไรแล้วก็สัมผัสที่น่าจับน่าต้องเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมาคือบางทีเราก็ตอบไม่ได้นะฮะวันได้อะไรขึ้นมานี่มีเรื่องเยอะที่ผลทุธาผลตังต้งคําถามมาแล้วมันมันทําไปเพื่ออะไรได้ประโยชน์อะไรแล้วก็หาคําตอบไม่ได้ เพราะถ้าเราเรียนนิิตไหนสุภาษกรรมท า, านด้วยบ่อยๆแล้วก็ไม่กําหนดด้วยความกําหนัดเพราะตรงนี้ทีจ่จริงๆในแง่ความจริงเนี่ยเขาเรียกสุภาวิปลาสคือจิตมันวิปลาสมันมองข้าเคลื่อนแต่ความจริงเพราความจริงมันไม่มีอะไรที่สวยงามอย่างนั้นหรอกมันประดประดาตกแต่งกันประเดี๋ยวประดาวันะทีจะออกแกวบ้านคาน้าเดิงก็ต้อง สมวยๆจะตั้งเยอะยเสี่ยงเสียเงินในตองไปเยอะแล้วก็ออกไปได้มีกี่ชั่วโมงนัน่นมันก็สุดเลยอย่าะมันใกล้ใครกันนี่แล้วที่จริงก็เห็นอะไรกันอยู่นะแต่ว่าอาการของกิเลสประเภทเหล่าเนี้ยเราเกิดมาเราอยู่ในโลกของกามวัฏจักรนะคือยังไงก็เป็นปนัญหาใหญ่ที่เราก็กําลังกรรนฐานเขาจะต่อสู้กับเขานี่ก็ทําได้น้อยเพราะฉะั้นจึงต้องหมัน่นเจริญกรรมฐานโดยปล่อย แล้ต้องสารวมระหว่างอินทรีย์ตาอวิชมลเล้งกายใจเนี่ยต้องสารวนนะเพราะว่าหลักอินทรีย์สํบวนเป็นหลักภูเขาเลยหมายความว่าถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้เนี่ยโลกจะไม่อ่อนไหวไปตามกระแสะของอารมณ์เราเป็นโลกการสัมผัสสื่อดีก็เข้ามาทางประษาสัมผัสสื่อไม่ดีก็เข้ามาทางภาษาสัมผัส แต่ว่าจิตใจของคนเรานะในให้ลองสังเกตสมมตินะฮะสมมติว่าเราจะพูดทรงคนสองคนพูดถรงคนชั่วของคนคนหนึ่งเราจะรู้สึกสนใ จ, จรู้สึกเชื่อตามไปหมดเลยแต่พูดตรงความดีของคนคนหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกไม่คยเชื่อตามยิ่งคนนั้นเราไม่ชอบด้วยแล้วเราไม่เชื่อเลยนี่ก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องอารมณ์ อพอเราพูดตั้งความดีของคนที่เรารักเนี่ยคนอื่นก็พูดความดีของคนที่เรารักเราจะชื่นชมแล้วก็ถูกไปหมดทั้งๆ ท, งทงี้บางทีมันก็เวอร์เกินไปนะตามปกติกาน ย, ยกยอกอปัญเนี่ยมันก็เกินเหนีเกินผลไปทั้งนั้นนะนะแต่ว่าเราก็พอใจติดใจชอบใจที่จะยอที่จะให้มีการยกย่องอสรรเสริญกันในลักษณะ น, น, นี้ เช่นยกย่องผู้ปกครองบ้านเมืองว่าปกครองบ้านเมืองดีประชาชนเป็นสุขทุกคนแห่งคนยังไงมันก็เกินไปอ่ะนะมันมีที่ไหนในโลกอนุษย์ประชาชนเป็นสุขทุกแห่งคนนีมันมีที่ไหนมันไม่มีในโลกเนี้ยแต่ว่าคนก็ชอบใจที่จะได้ยินควังคำพูดเช่นนั้นและแม้แต่คนที่เป็นทุกข์แทบตายเนี่ยก็พร้อมจะฟังนะฮะพร้อมจะฟังนั่นก็คือแสดงว่าโลกเรามันเป็นมายาซ้อนมายา ทำให้โอกาสที่จะเข้าถึงความจริงมันก็ทำได้ยากการตรวจสอบอินซียนั้นบางทีเนี่ยสอนในรูปไม่ไปนะรูปไม่ดูไม่ความไม่ดมไม่ลิ้นไม่จัดต้องไปเลยหลีกนี้ห่างไกลคเครื่องบางเรื่องอย่างเนี้ยพวกอาบา ย, ยมุกทั้งหลายเราเนั้นงใแต่ดูไม่ทําอะไรอย่างการแสดงทั้งหลายเนี่ยอย่างโทรทัศน์บ้านเราเนี่ยทีจริงมันไม่ค่อยได้สาระประโยชน์อนะ มันมีเรื่องเลวไหลราสาระนี่มันเยอะมากเพราเกมโชว์ต่างๆมันเยอะมากจริงๆมัมๆนานานจะเจอเป็นหลักเป็นฐานเป็นวิชาการมีเหตุมีผลแสดงเรื่องภูมิปัญญาของผู้ทํารายการตรงนั้นเนี่ยมันานานเลยจะเจอนั่นก็แสดงว่าเราดูไปแล้วผลที่ทายถามเ อ, อ้อมันได้อะไรดูๆจบแล้วมันได้อะไรเพราะจริงไม่เป็นการแสดง เขาแสดงก็คือเรื่องไม่จริงอ่ะเรื่องมันก็แต่งขึ้นมาหาความบันเทิงหาความสนุกสนานความบันเทิงกันชีวิตเราในบันเทิงเยอะแล้วก็วันนานและหลายปีมาแล้วก็ได้อ่านชีวิตของเศรษฐีชาวฮ่องกงคนหนุ่มอายุสี่บกว่ากว่ารู้สึกจะ4สี่แิบ้าสี่สิบกแต่เนี้ย มีมาจากแผ่นดินใหญ่อดือเกือบตายอยู่ในแม่น้ำมันนะเกือบตายอยู่ในทะเลแล้วก็เริ่มต้นเดี๋ยวขอทานนะไม่มีรู้จักใครเลยขอทานก็าตายอันดับไม่ได้เลยมันวิ่งหนีความจนสุดขีดแล้ววิ่งหนีกันสุดขีดจนในที่สุดเนี่ยตอนจกนเป็นเศรษฐีแล้วนี่นะมีธุรกิจมีบริษัทอะไรเยอะ แกทำงานวันหนึ่งสิบแปดชั่วโมงหกชั่วโมงน่ะไปรวมอยู่ทั้งหมดทั้งนอนทั้งกินทั้งอาบน้ำทั้งอะไรพักก่อนทั้งหมดมาอยู่ตรงนั้นอยู่ที่หกชั่วโมงท้งนานแปดชั่วโมงใช้ในการปลูกสองเดือนเรียกว่าเล่นบ้าน ง, งานกันดีเด้อปลูกเดือนหนึ่งไม่ตื่นก็เดือนหนึ่งก็ปลูกต่อเดือนใหญ่เสียงดังลั่นต้องตื่นแต่ว่าเอาอย่างนั้นก็เกินไปนะฮะไม่รู้จัก ทำงานปรมานร่างกายไปทำอะไรท้างหนาแต่ว่าถ้าพูดถึงความเพี ย, ยรเพื่อจะบรรลุธรรมเนี่ยก็เห็นด้วยนะแต่ว่าถ้าเพื่อกั บ, กอบโกยตักตวงทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรมากมายไกลกองขนาดนั้นให้เพื่อนอื่นเขาโรยกันบ้างนะเราไปโยปรยไปคนเดียวมันไปยังไงอยู่ปั้นหยัน อีกยังหนึ่งเนี่ยคือว่าเราได้เห็นแล้วได้ยินแล้วได้ดมแล้วได้ย่ต้องแล้วเนี่ยมันทํายังไงอย่าปรุงต่ออย่าไปสร้างความรักความชังต่ออารมณ์รสนั้นโดยเฉพาะในที่นี้ก็คืออย่าสร้างความรักอย่าสยปติดว่าอะไรก็ได้เช่นกินเนี่ยอะไรก็ได้ดูอะไรก็ได้ฟังอะไรก็ฟังอะไรก็ไ ด, ไได้คืออย่าไปให้ความสาคัญมันมากเกินไป แต่น้อยก็เป็นการสํารวมระวังทีนี้ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเข้าในแนวที่ใช้สองแนวหรือใช้ประสาทสัมผัสข้างในหรือข้างนอกเช่นสมมติว่ารูปก็สัตกแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเครืง่กรงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรถก็สัตวแต่ว่ารถเย็นร้อนร้อนแขงก็สักแต่ว่าเย็นร้อนร้อนแข็งอารมณ์ก็สัก์ต่ว่าอารมณ์นั่นหมายความว่าเราเอาตัวนอกอายตนาภายนอกเนี่ยเป็นเครื่องมือในการศึกษา คือตัดกระแสของอารมณ์ไม่รับทีนี้อย่างหนึ่งเนี่ยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ ย, ยินก็สักแตว่าได้ยินคือใช้ใช้อญญายตม น, นาภายในเป็นเครื่องมือในการศึกษาก็เหมือนกันหมายความว่าจิตจะไม่นำไปปรุงคิ ด, ค, ดคิดปรุงให้เกิดความกําหนับความเพลิดเพลินในเรื่องดอกนั้นทีนี้อีกประการหนึ่งเนี่ยให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเรื่องอาหารเรื่องใหญ่นะ แล้วเพียเราสังเกตว่าอาหารเดี๋ยวรับประทานเข้าไปเนี่ยถ้ามันน้อยเกินไปเนี่ยมันจะเกิดความหมุดกิดนีฮะและจะเกิดโมโหถิวคือเกิดโทสะเกิดพยาบาทกลายเป็นสร้างนิวรณขึ้นมาสองข้อนะฮะคือกุกุจกับพยาบาททีนี้ถ้ากินมากเกินไปไม่อิ่มมากเกินไป อาหารเยอะมันก็กลายเป็นทีนนมีท่าคือว่าเหงาหานอนเมาอาหารกินเยอะเมาเลยทีนี่อาหารมันย่อยก็ไปแล้วมันเสริมพลังทางร่างกายก็กลายเป็นมีพลังเพศขึ้นมาด้วยก็มีความต้องการทางเพศการบริชันก็ฟูขึ้นเพราะันจึงทรงสอนเรื่องให้รู้จักประมาณในการบริโภคพัตนาอาหารคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปใน สำนับท่านที่จเจริญกรรมฐ า, านเนี่ยพระโบราณอาจารย์ท่านสอนให้สังเกตดูคำของอาหารที่วราประทานเห็นว่าสักสามสี่คำจะอิ่มแล้วก็เลิกสี่ห้าคำนะที่ห้าคำจะอิ่มแล้วก็เลิกแต่หมายความว่าเราดื่มน้ามําในอิ่มของหวานนะฮะหมายความว่ามาห้าคำเนี่ย ม, มันอิ่มของหวานไปแล้วแล้วก็เลิกแล้วก็ดื่มน้ําแล้วก็จะรู้สึกพอดีร่างกายมันจะเบาสลับเฉวยขึ้น ปุชเนมัตตัญญตาจึงอยู่ทุกแห่งอยู่เยอะแม้ววต่อวา ต, ปตาปฏิอวตารปฏิโมเองยังไปอยู่ได้ถ้าเราลองนึกดูนะว่าสมมุติว่ า, านะบ้านเราเนี่ยนะบ้านเราไอเนี่ยประจากรหกสิบล้านเราตีซะว่าเอาคนมาสักยี่สิบห้าล้านมารักษาศีลห้าไม่หยาดศีลแปดในวันพระเดือนละสี่ครั้งก็ประหยัดมหาศาลเลยนะฮะ เรกินไปวันก็เท่านั้นน่ะหยุดหยุดส่กบ้างลดการบริโภคอาหารทางเสียบ้างแล้วเราก็จะได้ประหยัดอะไรได้อีกเยอะแล้วรักษาสุขภาพเอาไว้ได้ด้วยเพราะท่นท่านก็นเน้นที่จะโปรชนเนมาตังยูตาเนี่ยแล้วก็คนที่เราเข้าป่าสมาคมเนี่ยต้องเป็นคนดี ไม่ได้ชวนกันสัมภเลษเทมาลชวนกันไปนมั่วสุงทางเพศชวนกันไปกำหนัดเพื่อเพลินยินดีในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยไอ้เพื่อนเพื่อนดีนี่มันเยอะเยอะอนะ่ะคือคือตัวหลักเลยก็เรียกบทเป็นตัวพรหมจันทร์พระเจ้าทรงสแสดงว่ากา ร, รยายนมิตรนั้นเป็นตัวพรหมจันทร์เป็นตัวการในการใช้ชีวิตที่ประเสริฐของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้แล้วก็สนทนากันโดยถ้อยคําที่ไพเราะอ่อนหวาน อย่าไปพูดมาไปดูภาพยนตร์โต๊ะมาไปดูอะไรแต่อะไรการ์ตูนรามมกอะไรอะไรเนี่ยอย่างงั้นมันไม่ได้อ่ะเพราะในใจเมื่อพระนี้เขาไม่ให้ดูหมดอะไรเลยอย่างเงี้ยคือขนาดว่าไม่ให้คุยกับผู้หญิงสองต่อสองนะครับถ้อยู่ในห้องกับผู้หญิงสองต่อสองนี่ไม่ได้เขาจะรับหูรับตาตอ น, นั้นต้งรับหูรับตาทีนี้บางทีคนเห็นนะฮะแต่ว่าคุยกันสองคนนี่ไม่ได้ เพราะว่าจิตมันแปรปรวนไปง่ายนะโอกาสที่จะพูดแล้วก็กลายเป็นเกี้ยวพาราสีจึงเป็นเหตุแสดงว่ากระตุ้นถูกกระตุ้นมาด้วยการมารคะแล้วก็ทํำให้ตนเองปองอับดัทที่มันเป็นได้ง่ายเพราะงั้นมีนวิธีการคือบางทีเนี่ยยังไปโรงพยาบาลเนี่ยเกิดมาเป็นคนไม่มีเส้นเอง็งไม่มีเส้นเลนะอือดเะี่ยก็หาไม่เห็นกัน มือมันเป็นยังไงไม่รู้คือหาหาเส้นเลือดไม่เจอเฮ้ยแทงติดแท ง, แท ง, แทงถูกอย่างน้อยในเบาะเนี่ยสองครั้งไงนะฮะก็แทงกันนางพยาบาลเนี่ยก็จะเจาะให้เองก็ไม่ให้เจาะก็ให้ผลเขานะฮะบอกไม่ใชหลวงพ่อรังเกียจอะไรมันเป็นเรื่องวินัยของพระคือพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ยอย่า ง, งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกคือไม่ใช่รังเกียจรังนอนใครแะสมมติว่าเจาะมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกในแง่ายของความรู้สึกของเรานะฮะ แต่ว่าคนเนี่ยเขามองเนมันจะมีปัญหาในด้านความรู้สึกเพราะว่าสังคมไทยเรารับรู้ในเรื่องนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเคร่งเครียดนะฮะไม่ใช่เคร่งทัดเอาแต่ก็เคร่งเครียดไปนี่คราวหนึ่ง เ, เด็กนักเรียนในโรงเรียนดนตรีวิทยาเนี่ยเดียไปสอนแต่นานนะเด็กพวกนี้โตอายสุสี่สิบกว่าเกือบห้าดเดือแล้ว ก็แกถามมาทําไมถึงห้ามพระถูกห้ามห้ามผู้หญิงจับต้องพระบอกว่าไม่หรอกมู้หญินายไปห้ามก็ได้ยังไงก็ห้ามพระแม่จับต้องผู้หญิงก็ไม่ได้ห้ามผู้หญิงจับต้องพระหรอกแต่ว่าในสังคมเราเนี่ยเรารู้อะไรควรอะไรไม่ควรเพราะฉะนั้นพ่อแม่ปุญาตายายก็สอนพวกเราไม่ให้ไปจับต้องพระแล้วก็มีพระ องหนึ่งนี่เขาบวชใหม่นะฮะบวชใหม่ไปก็หลานๆก า, า, าวิ่งก็มาหากันไอหลานผู้หญิงก็ถูกจับไปทั้งหมดไม่ได้ถูกพระไม่ได้ถูกพระไม่ไ ด, ไได้ไอเด็กแกเคยขี่คอไออยู่ทุกวันไอไอไปบวชสองสามวันเนี่ยเข้ากล้ไปไนมันเรื่องอะไรแล้วกวดออกไปฉันที่บ้านพปเผลอ็ลุกขึ้นนะฮะพลุกขึ้นเดินเดินคล้อยหลังกต็ตกจีวรเลยทําไมจึงจับไม่ได้ทําไมจึงจับไม่ได้ อันเนี้คือคือจริงๆริงมันมันเป็นปัญหาวินัยเนี่ยก็ให้พระสำรวมระวังในพระสำรวมระวังแล้วเราก็ช่วยพระด้วยนะะช่วยพระด้วยอย่าให้พระมีปัญหาอย่าให้ลำบากใจแต่ไม่ใช่เรื่องรังเกียจเดดฉันนะฮะไม่ใช่เรื่องรังเกียจเดดฉันเป็นปัญหาทางวินยัยแล้วก็ในแง่ของอารมณ์เนี่ยมันก็ช่วยนะช่วยเพื่อไม่ให้จิตมันแกว่งมันสับสนมันวุ่นวายเพรา ะ, ะ น, นค่อยๆค่อ ย, อยที่นํามาพูดมาคุยเนี่ย มันจะ ต, ต้องไม่ไปกระตุ้นกามราคะกระตุ้นความกำหนัดชวนสนุกสนานเพลิดเพลิน อ, อะไรต่างๆเนี่ยเห็นว่าในวงกองศูลานารีกาชีกีฬาบาสเด็กพวกนี้มันง่วงงั้นนะความคิดเนี่ยเพราะว่าเรื่องไปชวนกันเฉยๆไปกระตุน้นไปเร่งร้ากันเฉยๆไปขยันขยอกันเฉยๆถ้าไม่ไปพูดอะไรกันมากเกินไปเนี่ยคนก็เป็นกลงตัวเองได้ก็สมควรหอก อั น, นี้ก็เป็นหลักที่ท่านสอนวิธีละนะฮะกล่าวโดยสรุปก็คืออสุภะสัญญากําหนดหมายถงความไม่สวยไม่งามนั่นเองแต่ว่าวิธีการนั่นก็หลากหลายออกไปทีนี้ถ้าทําอย่างนี้ก็ชื่อว่าลดลดตรงไปได้นะไม่ถึงกะละหรอกไปละมันมันเป็นเรื่องอริยมรรคแห ล, ละกลารมฉันเนี่ยเป็นระดับอริยมรรคแล้วมันมั น, ม น, มนไม่ไม่ใช่ระดับนิวนณิวรณ์มันสยบไว้ท่านนั้นเองนะไม่ใช่ระดับสมาธิมีสยบไว้ท่านนั้นเองคือธาตจิตก็เป็นสมาธิเนี่ย อาการมังกรมาันจะไม่ปรากฏขึ้นแต่ว่าการที่ทำให้จิตเป็นสมาธิก็อีกแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะท่านบอกว่าอันหนึ่งความที่กรมาชันอันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นตรงนี้เรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าก็าะอะไรบุคคลระดับโสดาบันเนี่ยท่านยังมีครอบครัวนะมีลูกมีเต้า แล้วก็นางบิษาขานี่มีลูกตังยี่สิบนะฮะลูกเยอะจังยังนึกถึงอีกคนยังนึกไม่ออกกันนะนางมาริกาเทวีเป็นชายาของท่านพันธุรเสนาบดีมีลูกเป็นคู่นะฮะสิบสองคู่1ิบสองคู่ก็เป็นเรื่องไี่น่ากลัวคือคือคื อ, ค, อคืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่สิบสองคู่สิ มันสามสิบสองคนนะสิบหกคู่สหกคู่ไม่ใช่สิบสองคู่ยังนึกว่าเมื่อเกิดกันได้ยังไงแล้วก็ที่จริงเนียผิดใจอยู่นะยังผิดใจยอยู่ว่าทุกคนเป็นทหารในกองทัพคล้ายๆกับอะไรคุมศึกสกุลอะไรของกีนนั่นะคล้ายๆอย่างนั้นแหละักานอยนะี แล้วก็ในที่สุดก็ถูกข่าหมดเลยสงสัยว่านางมาิกาอายุจะเท่าไหร่จะดูแล้วนี่มันน่าจะไปตั้งหกสิบกว่าแล้วนะตอนนั้นพนอะลูกโตเป็นทาหารได้แล้วนี่นะแล้แ ม, ม้แต่คลอดได้ยังไงทั้งสิบหกคริโปคู่ได้แต่ได้ก็เป็นโบอร์ดาบันเหมือนกันแล้วใการะลักการฉันในขาดเนี่ยพระสกจกรรมีทำได้แค่ ลดลงนะครัเรียกกระลาคาโทสามมหาเบาลงคนคนที่จะละกามฉันได้เนี่ยมันเป็นระดับโน้นระดับพระอนาคามีจึงตัดได้จริงๆริงนะตัดได้จริงๆความคิดจิตใจเนียวนึกตึกนึกก็ไม่มีคือความคิดระดับนม่บอลไม่มีเนี่ยแม้แต่ว่าจะอยู่ในที่ใดก็าตามนะอาการที่จะไปกําหนดด้วยความกําหนัดในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีมันอยู่ระดับของพระ อนาคามีเพราะในแนวกรรมาฐานจริงๆก็เป็นจุดมุ่งมั่นน่ะที่จะไปถึงตรงนั้นคราวนี้เราสังเกตนะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่เป็นปัญหาในชีวิตของมนุษย์เนี่ยส่วนมากเราไปแสหาเรื่องเราเองนเยอะเราสายไปสแสวงหาเรื่องเราทั้งหมดเนี่ยยางนึกชมภาษาไทยเราที่บอกว่านี่มาหาเรื่อง คือเรื่องมันไม่เปียนเรื่องอ่ะเราไปหาเรื่องเอาเองะคล้ายๆกับอะไรแขวงข้าวหาเสี้ยนหรือซื้อฝอยหาตะเข็บเปล่าฝุ่นทวนลมอะไรแต่อะไรเนี่ยเรียหาเรื่องในตัวเองเด็ดร้อนคือถ้าเราไม่เอามาปรุงคิดคิดปรุงอะไรมันมากมันก็อยู่อย่างที่มันอยู่มันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่พอดีเราเอามาปรุงคิดคิดปรุงกันมากเกินไปปัญหาที่ไม่น่าเกิดมันก็เกิดขึ้นมามากมายแก่ ก, กอง การเป็นศึกสงครามกันก็มีนะฮะลองสังเกตในะเรื่องเพศนะี่แหละคือศึกสงครามแบบนู้ดสกีคข้างกี่หเนในโลกมนุษย์เนี่ยวันก็นดีก็เราตั้งหลายเรื่องที่มีปัญหาเรื่องทางเพศเพราะแนวกามมันฉันเนี่ยเป็นแนวเรื่องมันเกิดมาจากการวิตกคือจิตมันเดี๋ยนึกตึกนึกเบลล์หน้าของความใคร่ทีนี้กามวิตกเนี่ยในจริงมันมาจากการดําริด้วยอํานาจของความใคร่ ทีนี้อาการดํางริเนี่ยมันมาจากความพอใจใจมันพอใจในสิ่งเหนั้นก็เรียกกรมาฉันทาทีนี้กามาฉันทาเนี่ยมันมีเรื่องพอใจก็แสดงมีกรมาธาตุคือเชื่อมกับความใคร่ที่มีอยู่ภายในใจเนี่ยทําไม่ใจก็เหนียวนึกตึนึกด้วยความกําหนัดเพื่อเพลินเพื่อจมติจิตีในอารมลดนั้นเพราะบางทีพระเจ้าจะสอนสาวลึกลงไปเลยสาวมาถึงธาตุเลยเอาก็จริงเนี่ยมันอยู่ที่เราคิดเราเอง ก่อนที่ตอนที่พระเจ้าจะสรุ ป, ปใหมนะ่รับสัง่งว่าดูก่อนกลรมบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดําหนินี้เองจากนี้ต่อไปเราจะไม่ดําหนิถึงเจ้าอีกแล้วแล้วความดําหตินี้เป็นกรรมของคนจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามอย่าคิดแต่มันน่าค่ายมันก็ไม่ค่ายนั่นอยู่ที่เราคิดเฉย เรกว่าปุงคิดคิดปรุงปรุงคิดคิดปรุงปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาแล้วมันบางทีมันก็ยุ่งหมดนะนะคือสูญหมดเลยสูญหมดเลยเราก็นึกถึงเหตุการณ์บางอย่างที่ว่ามนุษย์ไปสงสู่กษัตริย์อะไรต่วอะไรเนี่ยจะแสดงว่าแกปรุงมากไปอ่ะปรุงมากไปจนจิตใจวิปริตไปเลยเป็นกรรมวิถานไปเลยดังนั้นอย่างไงอย่างไงเนี่ยเราก็มามองในระดับที่เรียกว่า คิดให้มีเหตุมีผลควบคุมอารมณ์ตัวเองเอาไว้อย่างไม่มีอะไรเนี่ยอย่าให้ผิดศีลข้อกาเมเนี่ยก็บุญแล้วเนี่ยท่านฟังทั้งหลายใตลมบูรติญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเึงเทมานี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี